มีใครอยากถามอะไรนะมมีน้องสาวเป็นเป็นก๊อห์จริงแต่เขาเ็นอยงที่อยจะสีเพราะว่าเคยเป็นอุดรยมเมตอนที่ ท, ท, ที่ที่แล้ ว, ล ว, ล อ, วอุดรรมเคยพู่าอาารสอนว่าคนทีามีสินก็จะไม่จะไม่ได้เกิดมาใหมช่ชาติต่อไปจะไม่ได้เป็นหนึ่งก็จะต้องเป็นต่าต้อ ง, งอยู่ในอาณาจักรที่แย่กา เ่วานเขาเหมือนกับเขาพยายามไปอยากเขาก็โทรมาบอกว่าให้เพิ่งสอนทึ้หนอนว่าเขาจะต้องสอนอะไรเขาไม่ได้ที่าอยากจะดีอ่ะโยมก็เลยบอกเขาบอกว่าเขาไม่ชอบยิมทีละเขาก็บอกว่าเวลาเขาเครียดโยมที่บอกเครียด่เนี่ยเป็นเรื่งยิมทีละก็ให้พุดโธเขาบอกบางทีเขาก็อยากจะจีบออกาโยมก็เลยบอกเขาว่าให้ใช้คำว่าการทจะจีก็ให้พูดโทพุดโธออกมาดังๆนึ่งน้็ได้ไม่รำคาญ ก็ไม่ก็สวดหมนไปก็เลยพูดโธไปไม่ต้องออกเสียงดังหรอกเสียงดังออกเพื่อทำไมไม่รีไทยก็อยากได้ยินหรอกรบกวนชาวบ้านก็พอก็ให้เขาหยุดหยุดอารมณ์ด้วยการบริกรรมพุดโธพูดโธไปมบริกรรมภายในใจดีกว่ามันจะได้ไม่เพี้ยนเดี๋ยวต่อไปไปอยู่ที่ไหนอยากจะกรีกก็เดี๋ยวก็จะยุ่งเดี๋ยวก็เป็นปัญหาทําทั้งทีก็ทําให้มันถูกไง มันอยากจะกรีดมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ใช้พุทโธในใจหยุดมันพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่คงจะยากอะถ้า okay? คนไม่เคยพุทโธมันพุทโธไม่ได้ก็สวดมนได้ปะให้เขาสวดมนสวดมนได้อินทรีโสดให้สวดไปร้อยจบอย่างเงี้ยเวลาอยากจะกรีดก็สวดอินทรีย์โสไปร้อยจบเดี๋ยวมันก็เลิมเรื่องที่อยากจะกรีดไง มันก็หายไปถ้าไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะกรีดมันก็ยิ่งอยากจะกรีดใหญ่พราะไม่ไปคิดถึงมันคิดอยู่กับอิทธิพิโสเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องที่จะกรีดมันก็ไม่อยากจะกรีดแล้วนะแต่ต้องหัดทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ทําอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาจะทํามันทําไม่ได้อันนี้เวลาอารมณ์มันจะกรีดแล้วมันไม่มีอะไรมันหยุดไม่ได้ ถ้าเราไม่เคยสร้างสิ่งที่มีกำลังถ้าเราไม่เคยสวดมนต์ น, นี้พอจะมาสวดมันสวดไม่ออกมันจะสู้กำลังอยากจะกรีดไม่ได้ให้มันสวดไปเรื่อยๆอยวันๆหนึง่งพยายามสวดพุดโทโธหรือสวดอินทรียโสไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงนะต่อไปมันจะคุมคุมความอารมณ์ต่างๆได้ เมื่อกี้ก็บอกเข า, าเรื่องวิธีควบคุมจิตใจอยู่คนเดียวปฏิบัติ ธ, ธรรมก็ให้มีสติอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอดีตอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันพ อ, เ, อเวลาคิดถึงอดีตอนาคตมันก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากแล้วมันก็จะอยู่ปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันก็จะรู้สึกหงุดหงิดไม่มีอะไร คิดถึงอดีตที่หวนที่แสนหวานก็ทำให้ปัจจุบันเศร้าแล้คิดถึงอนาคตที่จะหวานที่จะตามมาก็ทำให้ปัจจุบันเศร้าแต่ความจริงพอไปถึงอนาคตมันก็เหมือนอดีตมันก็เหมือนปัจจุบันนี่มันก็ไม่มีหวานหรอกมันหลอกแล้วให้เราปรุงแต่งมาคิดว่ามันหวานได้ทำอย่างนู้นได้ทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขพอไปถึงจริงๆทาแล้วก็แห่นั้นมันหนอกเรามัน ทำให้เราหงุดหงิดไม่มีความสุขในปัจจุบันเราเลยต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งถึงอดีตถึงอนาคตให้มันอยู่ในปัจจุบันทําไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทธโธดึงมันไว้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือว่าถ้าถ้าไม่พุทธโธก็ให้ดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทาของร่างกายอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากแล้วมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้มันก็จะรู้สึกว่าปัจจุบันก็ดีนะสบายไม่มีอะไรเพราะความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี่แหละไม่มีอะไรนี่แหละคือความสุข ถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็หมดไปเวลามีก็ดีใจพอเวลาหมดไปก็เสียใจเวลานั่งดูหนังก็ดีใจพอหนังจบก็เหงาอีกแล้วต้องหาหนังใหม่มาดูต่อ<ม>เวลากินอะไรกินแล้วก็โอ๊ยสนุกอร่อยเดี๋ยวกินหมดแล้วก็อยากต้องหาอะไรกินใหม่มันต้องมีอะไรมาให้เรา เสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดพอเวลาเสพไม่ได้ไม่มีอะไรให้เสพก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราหัดเสพความว่างได้ก็สบายเพราะความว่างมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียวไม่ต้องเสพอะไรอย่างที่บอกให้นั่งเฉยๆถ้าหกชั่วโมงดูไม่ต้องเสพอะไรเสพความว่างไปสู้กับความอยากไป ใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดมันเวลามันอยากอะไรกับพุโทโธพุโทโธไปหรือใช้ปัญญาเป็นการสอนใจไปเลยว่าได้อะไรมารักเหมือนกับได้ยาเสพติดนะีได้มาแล้วก็ติดเนะี่ยแล้วพอไม่ได้พอไม่มีก็จะทุกข์อีกสู้อยู่กับความความไม่มีดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรถ้าอยู่กับการไม่มีอะไรได้มันจะสบายไม่ต้องไปดิ้นหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสก อาในใิจายาของเราอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรไม่เป็นต้องอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสกก็เหงาว้าเวหงุดหงิดลำคาญใจเราลองใช้สติหยุดความคิดเพราะถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากอพอคิดถึงรูปก็อยากจะได้รูปพอคิดถึงเสียงก็อยากจะได้เสียง พอคิดถึงกลิ่นก็อยากจะได้กลิ่นแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่มีความอยากมันก็อยู่เฉยๆได้ ied. อยู่กับการไม่มีอะไร mm hmm. ได้การอยู่กับการไม่มีอะไรได้มันสบายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าจะมีรูปเสียงกลิก่นรสก็ต้องไปหาเงินหาทองกันไปทางานกันแทบเป็นแทบตายแล้วพอได้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้ว ได้มาถ้าได้มากมากก็เบื่ออีกถ้าได้น้อยก็ไม่พออีกพอเบื่อก็ต้องเปลี่ยนเบื่อรูปนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาอีกรูปหนึ่งเ <BE Y OR S> บื่อเสียงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเอาอีกเสียงหนึ่งมันก็ไม่มีวัสสนสนิ้นสุดความอยากมันจะดิ่นไปทางนู้นทางนี้อยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอมันก็จะทำให้ใจเราดิ้นทำให้ใจเราหงดเหงิดลาคาญใจไปเรื่อยๆ สู้มาหยุดความอยากหรือป่าแล้วสบายความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าตัดมาได้แล้วนั่งเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไปหาเงินเนี่ยเราหยุดหาเงินมาสี่สิบกว่าปีแล้วเพ<ม> <c oughs> อเรารู้ว่าโ่าเหนื่อยอามาแท่ไห่ใช้ปั๊บเดียวหมดแล้วทำ ง, งานเดือนหนึ่งได้ไม่กี่พันนี่ไปเที่ยวคืนสองคืนก็หมดแล้ว แล้วมันหายไปไหนหมดแล้วหมพอใช้เงหมดไปไล้ความสุขที่ได้มันหายไปไหนหมดแล้วหายไปเหมือนควันไฟเหลืออยู่กับความว้าเหวความอ้างว้างเปล่าเปลียวเดียวดายความอยากจะหาความสุขอีกหาเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ลิ์ของมันแล้วว่าไม่ใช่ทางทางที่จะหาก็สู้กับความอยากมันอยากจะเอาอะไรไม่ให้มันทุอย่างดูซิว่าใครจะตายมันถ้ามันไม่ตายเรา เราก็ตายว่าขอยอมตายสู้กับความอยากดูพอเรายอมตายไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันตายเองพอมันตายแล้วมันโอ้โหเหมือนกันยกก้อนหินออกจากอกความอยากนี่มันมันกดดันเราบีบคั้นจิตใจเราจนจนรู้สึกแทบจะเป็นบ้าเวลาที่มันอยากมากๆแล้วเราไม่ทำตามความอยากเนี่ยแต่ ร, รู้ว่ามันต้องไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดแรงเองอันี้ ก็ให้มันตายมันไปสักข้างยอมยอมตายกั บ, ก, บกับการไม่ทําตามความอยากดูรับรองได้เดี๋ยวความอยากมันตายเอามันตายแล้วที่นี้สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมากดดันอยู่เฉยๆก็มีความสุขดูพระพุทธเจ้าท่านเคยมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมากกว่าพวกเราท่านยังไม่มีความสุขเลยท่านรู้ว่าไม่ใช่ความสุข ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้มากๆก็เบื่อได้จําเจงก็เบื่ออีกพอไม่ได้ก็ทุกข์อีกมันทุกทุกรูปแบบพอมาอยู่คนเดียวมันหยุดความอยากได้ใต้ต้นโพนิสสบายตอนบวกจะนั่งตรงนี้จนกว่าความอยากมันจะหมดไปจากใจถ้ามันยังมีความอยากอยู่จะไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นที่สุดความอยากก็หายไปหมดในใจยอมตาย ท่านบอกเนี่ยขอให้ตายขอสู้กับความอยากถ้าร่างกายเลือนในร่างกายมันจะเหือดแห้งไปก็ให้มันให้มันเป็นไปแต่เราจะไม่ลุกจากที่นี้โดยเด็ดขาดถ้ายังมีความอยากอันที่เสุดความอยากมันก็หายไปหมดไม่มีอะไรมารบกวนใจต่อไปไม่ต้องมาเกิดไอตัวที่ทําให้มาเกิดก็คือความอยากนี่นี่คือการปฏิบัติ เาหมายของเราก็คือการกําจัดความอยากต่างๆตอนนี้เราไม่มีกําลังเราต้องมาสร้างกําลังกําลังของเราก็คือศีลสมาธิปัญญาสติสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเราจะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากแล้วพอเราสู้กับมันปับ๊บมันก็รู้ว่าเราสู้มันได้มันก็ไม่กลับมามันก็ถอย มันทสงครามถ้าศัตรูรู้ว่าบุกแล้วเอาชนะไม่ได้มันก็ไม่มาแล้วใช่ไหมถอยดีกว่าแต่ถ้ามาแล้วมันชนะมันตีเราแตกมันก็มามาทีไรก็ตีแตกทุกทีมาทีไรให้ไปซื้อเสื้อผ้าก็ไปทุกทีมาทีไรให้ไปซื้อกาแฟก็ไปทันทีไปซื้อเกมก็ไปทันทีไปเที่ยวสวนน้ำก็ไปทันที มันก็บุกอยู่เรื่อยใช่มแต่บอกไม่ไปถ้าอย่างต่อไปมันมารบกวนเราอ่นะถ้ามันบอกให้ไปเที่ยวสวนน้ําก็บอกไม่ไปไปทําไมไปก็เท่านั้นไปกลับมาแล้วเดี๋ยวก็อยากไปอีกอย่าไปดีกว่า <S <S พอไม่ไปแล้วต่อไปมันก็ไม่อยากไปเองนะคือกลับ ต, ตัของามู้เราก็คือความอยาก การมาตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเอามาตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นในร้อยในพันในเรือนาวาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่เสริมอยากยศถาบรรดาศักด์อยากอยากเป็นไมนานๆอยากอยู่ไปนานๆแต่ไม่มีอะไรโลกนี้ที่จะเป็นไปนานๆที่จะอยู่ไปนานๆทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นลงสิ้นสุด เวลาไปเจอกับความเสื่อมก็เสียใจทุกใจเวลาไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทุกใจถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์ใจจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่เลื่อนขั้นก็ไม่เดือดร้อนจะถูกปลดก็ไม่เดือดร้อนจะเกษียณเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากล้าใจจะสบายแต่เราหยุดความอยากไม่ได้ตอนนี้เราต้องมาสร้าง สร้างอาวุธหรือสร้างเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยากมารักษาศีลกันมานั่งสมาธิจเจริญสติกันมาจเจริญปัญญามาพิจารณาอนิีจังทุกขังอนัตตากันแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็จะหยุดมันได้นีเจ้าลูกขึ้นมานั่งฟังหรือนั่งหลับลุ้นเนี่ยตีสามแล้วยังลุกขึ้นเลย แล้วเดี๋ยวไปนอนอีกฝล่อยก็อย่างเี้ดีแล้วแหละนั่งฟังอยู่อ๋อนะตอนนี้คิดว่าจะอนุโมทนาให้พ่อนกันยะถาควาเววะหาปุราปะเวปุเรนติสากขางัง เอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเมวะสนิจจโทสัพเพปเรนตุสังกาปะจัมโทปณะระโสยั h ถะมณิโชติระโสยั h ถะสัพพิโยวิวัชังตุสัพพารโกวินาศตุ มาเตผวะตวันตาลายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนสิริตสะนิจังมุทธาปจายิโนจตารูธรมมวัทฐานติอายุวันุสุขังภาลังวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่สอง สร้างมีทุดสิบสามค่เดสิามค่ะเวลาอยากจะถามเนี่ยคมพ่อค่ะอยากจะถามผม่อว่าค่ะวิธีที่จะทุศนึงเป็นศูนผสมให้กับคนที่เล้งไปแล้วที่เขาจะได้บุญกุศลที่เราทาให้ดีที่สคือวิธีไหนครับคือหนึ่งคนที่เข้าตายบางทีเขาไม่ได้รอนับก็ ก็ไม่ได้รับอยู่ดีจะดีขนาดไหนเขาเขาก็ไม่รับคือคนที่ไปนี่มันมีหลายฐานะไงถ้าเขาทาบุญไว้เยอะเขาไปก็ไปเป็นเศรษฐีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้าเขาอยู่แล้วก็ไม่เคยทําบุญเลยเนี่ยเขาไปเขา ไ, ไปเป็นขอทานบุญนะพวกขอทานบุญก็รับบุญด้วยการทําบุญทําทานนี่แหละแล้วก็อุทิศไปอยากจะให้เกามากก็ทํามากๆ ทำน้อยเขาก็ได้น้อยทำมากเขาก็ได้มากแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนทำไปแล้วเขาอาจจะรอรับอยู่ก็ได้หรือเ้าอาจจะไม่รอรับก็ได้เพราะบุญกรรมบุญกับบาปที่เขาทำไว้มันจะทำให้เขาอยู่ในฐานะที่บางทีเขาไม่มารับถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็ไม่รับถ้าเขาไป ไปที่อยู่น้นไนรกก็เหมือนไปติดคุกติดตารางเขาก็รับไม่ได้ถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็มีบุญมากถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็เขาก็ไม่ต้องรอรับบุญเขาก็หาหาอะไรของเขาเองได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขามากเขาไปแล้วเรื่องของเขาแ ล, แล้วก็ส่งไปทางที่ดีให้เขามาบอกฟันว่าเขาขอบุญแล้วค่อยส่งไป ถ้าเขามาเข้าฝันมาว่าเขาอดอยากขาดแค้นขาดน้าขาดอะไรเราก็ทำบุญตั้งแต่เขาเสียไปเขไม่เคยฝันถึงเลยแล้วก็ถือว่าเขาไปแล้วล่ะเขาไม่มายุ่งกับเราแล้วก็ปล่อยเขาไปแต่ทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วก็อดทิศเผื่อไปก็ได้แต่ไม่ต้องมาเจาะจงทำเพื่อเขาเลย แต่ยากจะเจาะจงทำพวกเขาก็ได้มันก็เป็นเป็นแต่ว่าเขาจะได้ไม่ได้เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่คนที่ได้แน่ๆก็คือเราทําเยอะๆก็ดีเวลาตายไปเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นขอทานบุญเพราะเราจะมีบุญติดตัวไปเราก็จะไปเป็นเศรษฐีบุญกันเศรษฐีบุญก็พวกเทวดาเั้นก็ทําไปถ้าคิดถึงเ้าก็ทําไป ทำบุญแล้วก็กดน้าไปส่วนเขาจะอยู่ในฐานหน้าไหนเราไม่มียานเราไม่รู้หรอกต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านถึงจะมียานอย่างทราบได้ว่าดวงวิญญาณของแต่ละคนที่ตายไปแล้วนะั้นกำลังอยู่ในฐานหน้าไหนอย่างที่มีพระเจ้าแผ่นดินในสมายทุธการ์เนี่ยก็มีลูกน้อง มาส่งเสียงโวกเวกไวอยๆโยงวิญญาณของลูกน้องมาส่งเสียงโวกเลหวกไวอยๆพระเจ้าเป็นดินก็ไม่รู้ตอนเช้ า, ชาก็ไปถามพระพุเจ้าพระเจ้าบอกเป็นลูกน้องเก่าครั้ น, นี้เป็นขอทานไม่มีบุญมาขอบุญพระเจ้าเลยบ่อยพระเจ้าเป็ น, ปนดินทําบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาเอาอุทิศไปแล้วเขาก็ไม่มาล่องโวกเวกไวอยๆเขากลับไปแล้ว ในเรื่องของคนที่ไปแล้วก็มันก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเราจะเป็นฐาหน้าไหนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเข้ามาติดต่อกับเราได้เราเข้ามาเข้าฟันหรื อ, อะไรเราก็ลองถามก็ดูว่าเป็นไงสบายดีแล้วอยู่ที่ใหม่ดีไหม ต้องการอะไรขาดเหลืออะไรก็บอกจะส่งไปให้ขาดเสื้อผ้าก็ซื้อจีวรของพระถวายไปหรือซื้อเสื้อผ้าที่ก็ชอบแล้วก็ไปให้คนอื่นก็ได้ใครก็ได้เราส่งไปแล้วเราก็อทิ้งไปในใจขอทิ้งส่วนบุญอันนี้ให้กับคนนัน้คนนี้ที่ล่วงรับไปแล้ว ก็ทำได้ทางนี้เราอย่าไปอะไรมากไปเลยเพราะว่ามันทําให้เราทุกข์ใจไปประปล่าๆต้องยอมรับว่าอ่ชีวิตของคนเราทุกคนมันก็มีวันสิ้นสุดสิ้นสุดแล้วก็ก็ไม่คนรจะมาทุกข์กับมันคนจะเดินของเราต่อไปเขามีทางเข้าไปเราก็มีทางของเราไปเหมือนกันเรามาถึงทางแยกที่เราต้องแยกทางกัน เราไปทางหนึ่งเราไปทางเนี่ยเราก็ไปทางเราเราก็ไปทำความดีทำอะไรทำให้เรามีความสุขอย่าไปนั่งทุกไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ไม่อยากให้เราทุกข์เพราะคิดถึงเขาเราก็ไม่อยากให้เขาทุกข์เพราะคิดถึงเราใช่ไหมหนึ่งพวต่างคนต่างไปแล้วก็ต่างคนก็ไปหาใหม่เอาเองก็แล้วกันเขาก็ไปหาของเขาใหม่แล้วก็หาของเราใหม่ไป ถ้าเบื่อก็อย่าไปหาเลยอยู่แบบนักบวชดีกว่าไปถือศีลแปดไ่นั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์แบบนี้ถ้ามีคู่กี่คู่มันก็ต้องมีการทากทากจากกันไม่ช้าก็เร็วถ้าทากจากกันก็ทำให้เราเสียอกเสียใจเพราะเราผูกพันกับเขาพอไม่เห็นเขาแล้วมันก็รู้สึกเศร้า แต่ไม่เวลามันเป็นแผลเดี๋ยวมันก็หายความรู้สึกเบลนี้เวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆจางไปจางไปต่อไปก็ลืมไปเลยต่อไปไปเจอคนใหม่เข้าก็ลืมคนเก่าเป็นไงเสียลืมไม่ยังยังไม่ลืมยังยังร้องไห้เสียมากี่ปีละ ยังไม่ปีเลยยังไม่ได้ปีนเลยเมื่อวานยัง <laughs> ยังหมวเช็ดไม่ได้เลยเวลามีาคนถามก็จะรอทุกทีเอยก็มีคนนึ่งที่เขาพเพิ่งเสียแฟงก็าไปมาเดือนที่แล้วบ้านที่เขาขายพวกถุงพลาสติกรู้จักไหมยฟนเข า, าเสียชื่อติน๋นเลยแฟนเขาข้าอายุสี่สิบกว่าห้าสิบเนี่ยอ่าเป็นมะเร าถามเขาว่าเป็นไงว่ายังทําใจไม่ได้เพราอวันนี้ถามเขาว่าพอจะทําได้แล้ว <c oughs> มันเป็นธรรมดาเราพอ ม, มีอะไรแล้วเราก็แล้วก็ติดมันไงเพราะเรามีความสุขกับมันพอมันไม่มีมันไม่มีมันไม่ให้ความสุขกับเราเราก็เศร้าออ ก, <c oughs> ก็นั่งมานั่งสมาธิอยู่ง ส, สมาธิพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบแล้วก็จะมีความสุข งั้นเสร็จแล้วก็ไปคิดถึงเขาเองครั<笑><笑>ชอบคิดถึงเขาอยู่เรื่อยกําลังพุโทโธมีน้อยยิงบอกให้ทําเยอะๆพุโทโธบ่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีกําลังเยอะพอจะไปคิดถึงอะไรที่ทําให้เราทุกข์เราก็หยุดมันได้เอาคำถามคําถามในอินบ็อกซ์จากคุณพงศุขค่ะ เรื่องของความอยากเราจะระงับยังไงครับในเมื่อพ่อแม่ที่น้องเรายังต้องคอยทุกกับเรื่องปากเรื่องท้องเราจะละความอยากมีอยากสบายได้ยังไงครับ <c ười> คือเรื่องปากเรื่องท้องก็เลี้ยงกันได้มันเป็นเรื่องจําเป็นไม่ถือว่าเป็นความอยากเพียงแต่ว่าให้มันพอประมาณไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันจําเป็นต้องเลี้ยงต้องมี แต่ถ้าไม่มีก็ต้องทุกไปบางคนก็เกิดมายากจนลำบากก็ลองทุกไปต้องหาไปแต่อย่าไปทุกกับการหาสิ่งที่ไม่จำเป็นไปไปหาเงินมากๆเพื่อจะได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆอันนี้มันจะทำให้เราทุกไปเปล่าๆความสุขที่ได้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติด สู้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่ามารักษาศีลมานั่งสมาธิดีกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราและจะเป็นบุญติดตัวกับเราไปคาถามจากคุณแม่หอมค่ะข้าพเจ้าต้องการฝึกนั่งสมาธิแต่ปัญหาคือจะตกใจง่าย ไม่เคยนั่งเพอข้าพเจ้าเคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกมีอะไรมาผลักด้านข้างจนหัวผงากลงข้าพเจ้าตกใจรีบลืมตาตั้งสตินั่นคืออะไรคะและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยค่ะอ๋อจิตเรามันหลอกเราเองมันไม่ดีอะไรหรอกจิตเรามันชอบหลอกเราเวลาที่เราอยู่คนเดียวมันจะหลอกว่าผีมามั่งอะไรมามั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยนั่น ก็ตอนต้นก็ลองนั่งสวดมนต์ไปก่อนสติเรายังไม่มีกําลังพออย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีของแปลกๆมาหลอกมาเล่นกับเราเพราะฉอย่านั่งเฉยๆนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วสวดไปก็ได้สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆหรือท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆ ถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวจะเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาหลอกเราเราจะทำให้เราไม่กล้านั่งต่อไปคำถามจากคุณวิพาพรทำอย่างไรคะชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้ชายต้องทำบุญอย่างไรเจ้าคะ <c oughs> ก็ทำตัวเป็นเป็นผู้ชายตั้งแต่หมั้นนี้สิไปสมัครเป็นทาหารไป <c oughs> พกกายไป <c oughs> วิ่งมาราธอน <c oughs> ไปทำอะไรที่ผู้ชายก็ทํากันเนะี่ยต่อไปมันก็จะเป็นผู้ชายคนะําถามจากคุณยายรษาลูกอยากถามพระอาจารย์ว่าคนถือสินแปดกินเม็ดแ ม, ง, มงลักกับน้ําแดงตอนกลางคืนผิดศีลหรือเปล่าคะก็ไม่รู้เขาว่าเขาถือว่าแมงลักนี้เป็นยาหรือเปล่าถ้าก็ถือถ้าถ้าเป็นยาก็ไม่ผิดถ้าเป็นอาหารเป็นขนมเนี่ก็ผิด ของบางอย่างมันเป็นได้ทั้งสองอย่างบางแห่งเขาถือปัญญารักษาโรคแต่ถ้าไม่ได้กินเพื่อรักษาโรค ก, ก็ผิดเหมือนกันนะกินเพื่อกินเพื่อเป็นขนมมันก็ผิดดงั้นถ้าถือสินแปดแล้วอย่าไปอยากกินเลยตัดมันไปเถอะหลังจากเที่ยงมันไปแล้วเอาแต่ดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวจะได้ไม่มีปัญหาถ้าถ้าถ้ายังมีถ้ายังอยากกินนู่นกินนี่ก็อย่าไปถือสินแปดเลยเอาแค่สินเจ็ดไปก่อนก็ได้ และได้ไม่มีปัญหาคำถามจากคุณประหยัดนั่งภาวนาพุโทโธนา ท, ทีที่55ปวดขามากจนทนไม่ได้แต่พอขยับนิดหน่อยก็ดีขึ้นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันก็ขยับนะขยับแล้วก็แสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยวางเราไปไปปรับไปปรับอากะไปปรับร่างกาย แต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่งได้ไปนานๆก็ยังดีต่อไปก็ยอย่าอย่าอย่าไปขยับมันให้มันหายเองจะดีกว่าแล้วเราจะมีความมั่นใจกว่าว่าเออเราอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บมันสู้เราไม่ได้มันถอยไปเองมันหายไปเองเราอยากไปทำให้มันถอยดีกว่าเพราะต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้มันถอยไม่ได้ต้องอยู่กับมัน เราฝึกเพื่อในวันข้างหน้าวันที่เราจะต้องเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราไม่สามารถที่จะทำให้มันหายได้ไม่ว่าเราจะขยับยังไงเวลาเป็นไข้เนี่ยไปขยับยังไงเดินยังไงนอนอยังไงนั่งยังไงมันก็ยังเป็นไข่อย่างนั้นแต่ถ้าใจเราเฉยๆกับมันได้เราใจเราจะสบายไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณมนตรี เวลานั่งแล้วมีความสุขเย็นสบายยุงมากัดก็ไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าฌานสี่หรือเปล่าครับก็ไม่รู้ฌานอะไรหรอกไม่เ้าไปสนใจเลขหรอกนะแค่รู้ว่ามันนั่งแล้วสบายใจไม่ทุกข์กับร่างกายใจไม่ทุกข์กับเวทนาของร่างกายก็ใช้ได้พยายามทํานี้ให้บ่อยๆแล้วหัดฝึกเวลาออกมาจากสมาธิก็หัดทำใจให้เฉยๆอย่างนี้ เวลาร่างกายเป็นถูกอะไรก็ทำใจแบบเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิการนั่งสมาธินี้เป็นการฝึกทำใจพอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องมาทำต่อต่อไปเวลาอะไรมากระทบกับร่างกายเราเราก็จะเฉยเฉยเวลาอะไรมาทำให้เราไม่สบายใจเราก็เฉยเฉยได้คำ ถ, ถามจากคุณเบิร์ต การประพฤติผิดเกี่ยวกับการช่อดาด บ, บังหลวงหรือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางธุรกิตเรียกรับเงินเช่นนี้เป็นการประพฤติผิดศีลหรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วผิดอย่างไรคะก็การเอาเงินของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ยินยอมเอามาด้วยการกัรโช ค, บ, คบังคับอันนี้มันก็เหมือนกับการลักทรัพย์อยู่ดีนั่นแหละมันก็ผิดศีลข้อที่สองผู้ให้ไม่ได้มีความยินดีที่จะให้ให้เพราะจําเป็นถูกบังคับให้ให้ คำถามจากคุณเกียงไก่บารมีสิบตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีจนถึงเมตตาและอุเบกขาบารมีมีนัยยะของการเรียนรังบัคไหม่ครับและการเจริญบารมีมีสิบคือการหมัดลึกถึงใช่ไหมครับมันก็บารมีนี่มันก็มีมีลําดับบารมีอันดับแรกที่เราต้องมีก็ให้ได้ก่อนก็คือเมตตาบารมีถ้าเรามีความรักผู้อื่นเราก็จะทํา สร้างทานบารามีได้เรารักใครนี่เราก็ให้เขาได้ใช่ไหอย่างพ่อแม่รักลูกนี่ใช่มมีอะไรให้ลูกหมดเลยทำทานกับลูกก่อนถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะให้ได้ถ้าเราเกลียดคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เราให้เขาได้ไหมให้ไม่ได้ทำทานให้ทําทานได้ไหมทำทานไม่ได้เนี้อเบื้องต้นเราต้องหัดมีเมตตาก่อนให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้วจะทําให้เราทําทานสร้างทานบารมีได้ทานก็คือการให้การแบ่งปันเรามีอะไรอย่างสมัยนี้เขาเาเรียกครับภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าแชร์เขา้าไงไหมมีภาพสวยๆก็แชร์กันไป เ, นเรียกว่าทานละมีข้อความอะไรดีๆก็แชร์กั น, เ, นเรียกว่าทานธรรมทานไงเนี่ ย, ยสมัยนี้พอใครเข้าเข้าไปในเพจ เฟซบุ๊กนี้พออ่านธรรมะถูกใจปับ๊บก็แชร์กันเลยกดเลยอันนี้ก็ทานแต่ทานแบบนี้ไม่ค่อยดีเพราะมันไม่ค่อยเสียตังค์มันไม่ค่อยเข้าเนื้อต้องเอาทานแบบที่มันเข้าเนื้อต้องเอาของที่เรารักแล้วเราหวงแล้วเรายกให้คนอื่นได้อย่างเงี้ยแชร์แฟนเดต้องมีแฟนแชร์คนอื่นเลยใครสนใจแฟนเราติดต่อครับอ่อีเมลนี้ได้เนี่ยแชร์ไปเลยเลย ้าแชรแบบนี้เลยก็ทานทานบารมีพอเรามีทานแล้วเราก็จะรักษาศีลได้จเจริญศีลบารมีได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่อยากจะทำให้คนอื่นทุกเดือด น, นอนเราก็จะไม่อยากจะทำบาปไม่อยากฆ่าไม่อยากลักทรัพย์ไม่อยากประพฤติผิดประเวณีไม่อยากโกหกใครเราก็จะมีศีลบารมีนะ พอเรารักษาศีลบารมีได้เราก็จะเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดได้ถ้ารักษาห้าข้อได้รักษาเพิ่มอีกสามข้อมันจะยากตรงไหนใช่ไหอ ม, มันก็จะมันก็จะได้เนื้อขัมมะบาลมีการเจริญศีลแปดนี้ก็คือการเจริญเนื้อขัมมะบาลมีเนื้อขัมมะแปลว่าการออกจากกามสุขเนี่ยการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่ถือศีลแปดนี่เขาไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส จากอาหารจากเพื่อนนอนอะไรอย่างนี้เขาจะมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเราก็จะเรียนเนื้อขำมาบารมีได้เขาก็จะมาจะเจริญอุเบกขาบาลมีต่อได้อุเบกขาบารมีก็เกิดจากการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจรวมเป็นสมาธิก็เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาบารมีก็ไปจเจริญปัญญาได้ไปพิจารณาิจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาเอา อสุภะได้ดับกิเลสได้ละตัณหาได้อก็ได้ปัญญาบาลมีนี่ก็คือปัญญาบนี่คือบาลมีที่เราต้องสร้างและการจะสร้างบาลมีเหล่านี้ได้ก็ต้องมีอีกสี่บาลมีเป็นตัวผักดันบาลมีที่ผักดันก็คือข้อที่หนึ่งอธิษฐานบาลมีคือความตั้งใจตั้งใจจะ สร้างทานบารมีตั้งใจจะสร้างเมตตาบาลามีตั้งใจจะสร้างศีลบารมีเราต้องมีความตั้งใจก่อนถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้จะทําอะไรอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจจะมาที่นี่เราก็ไม่รู้จะไปไหน relieve. พอมีเพื่อนมาชวนไปนู่นมาหนี่ก็อาจจะไปกับเขาเลยแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะมาที่นี่นะ้ใครมาชวนเราเราก็ไม่ไปจะไปไม่ไปก็อยู่ที่บารมีข้อที่สองก็คือสัจจะบาลามี ว่าเรามีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจว่าจะมาเดี๋ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวเปลี่ยนใจไปเที่ยวดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัจจะบรารมีแต่ถ้ามีสัจจะบรารมีตั้งใจจะมาที่นี่แล้วใครต่อให้เครเอาเงินมาให้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาจะมาที่นี่อย่างเดียวยเรียกว่าสัจจะบรารมีพอมีสัจจะบามีแล้วก็ต้องมีวิริยะบามีความขยนันความเพียร เพราะว่ายังต้องออกเดินทางมาไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาออกเดินทางขี้เกียจซะแล้วอยากจะนอนอนไรก็ไปไม่ได้ต้องมีวิริยะบาลมีแล้วเวลามาอาจจะไปเจออุปสรรคต่างๆก็ต้องมีขันติบารมีเมื่อว่านี้มีคนมาจากพัทยามาหาเราเขาบอกใช้เวลาชั่วโมงครึ่งธรรมดาเขาใช้เวลาสี่สิบห้านาทีแต่เมื่อวานนี้รถติดมาก แต่เขาก็บอกเขาตั้งใจจะมาแล้วเขาต้องมาให้ได้เ้าก็ทนนั่งอยู่ในรถรอไปเรื่อยๆเป็นพระานเขาก็มาได้นี่เรียขันติบารมีถ้าขาดบาลมีทั้งสี่อันนี้แล้วการจะสร้างเมตตาสร้างเมตตาบาลมีทานบาลมีศีลบาลมีนี้ก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้แต่ถ้ามีบารมีทั้งสี่นี้คือมีขันติมีอธิษฐานมีสัจจะ มีวิริยะมีขันตออิก็สามารถที่จะสร้างบา ร, รมีได้สามารถที่จะบรรลุได้สามารถปฏิบัติทำบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้มีคือเรื่องของบา ร, รมีทั้งสิบประการ อ, อ่ะข้อต่อไปแลถามคือเมืที่ไหนบางที่จะเอ่อเปลี่ยนก็เปลี่นิตใจคนจะ ที่ไม่สามาคถีกันหมู่คณะในหมู่บ้านที่ผมเคยอยู่จากเพชรบูร์ก็เข้าม่สามาคถี่กันเอ้นี่ผมจะอยากจะไปพูดให้เขากับตักับใจโดยซึ่งผมเองก็เชื่อเพราะว่าผมเป็นภาษาคิดแต่เป็นคาตัม บ, บิคซึ่งนายคาทีเวนบอกว่าตจงมีความนักและความเชื่อและสัวสัตที่สามารถสะเปลี่ยนใจกับเขาได้ซึ่งผมเองก็ ไปหาหนังสือเรื่องเรื่องหนึ่ง ม, มาชื่ออับราฮัมเบนคอนซึ่งตอนต้นแกเขากไม่ค่อยมีอะไรมากต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะศึกษาเขาียกฎหมายด้วยตัวเขาเองจากนั้นเขาก็กเปลี่ยนจากจิตใจคนจากไม่ค่อยเขาเชื่อเรื่องศาสนาเขเปลี่ยนให้อยู่กันร่วมกับมีควาสุขได้คือ การที่จะเปลี่ยนใจคนนี้มันก็อยู่ที่หนี่ยตัวเราเองว่าเขามีศรัทธาในตัวเราหรือเปล่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อไปพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อสองคนที่เราจะไปให้เขาเปลี่ยนใจเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่เปลี่ยนอยู่นี่ยังมันไม่ใช่ของง่ายที่จะไปทําให้ เปลี่ยนใจคนแม้แต่ใจเราบางทีเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกครั้งเนี่ยเวลาโกรธได้เปลี่ยนให้มันรักได้ไหมก็ต้องหาเอาอรมณ์ที่จะยิ่งยิน น, น, นัๆๆ่นก็ก็อย่างว่าถึงบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของง่ายเพียงเราของเราเรายังควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้ยังไงแต่ก็พยายามได้ไม่ไม่ห้ามก็พยายามใช้วาจาหวานลออา้อม คนที่เขาพูดเก่งๆก็อาจจะทําให้คนเปลี่ยนใจได้แต่บางทีเก่งขนาดไหนถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้เราสั่งเขาเปลี่ยนให้ทุกคนเป็นอะไรที่เราต้องการให้เขาเป็นได้ใช่ไมคือหน้ญญแต่ใจมังกรคือที่ถึงจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนที่ความคิดจิตเพราะการ น, นี้ให้มันสมาธิกันเพราะ นั่นสิถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีเลยมีบ้านเมืองเยอะในสามมาคีกันเนี่ยเอาเลยก็ไปปิดทำเลยงั้นกะอนุโมทนาได้ผลยังไงมาบอกด้วยก็แล้วกันัคําถามจากคุณโอโม่พระอาจารย์ครับทําไมพระปัจเจรพพระปัิเจรคุทธพระเจ้าถึง ไม่เทศสั่งสอนท่านเทศไม่ค่อยเป็นเป็นผลมาจากการตัดสรุปต่างจากพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าหรือเปล่าครับแบบว่าไม่ได้พิจารณาถึงเหตุและผลอย่างท่องแท้และรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่า ง, างไม่หรอกสัมมาไม่หรอกถ้าไานจะเป็นบ้าก็ได้เป็นบ้ายก็สอนไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นบ้ายก็สอนได้หรือว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะสอน เพราะอะไรท่านเห็นว่าคนไม่สนใจที่จะฟังตอนตอน ท, ท่านเห็นว่าเอาเรื่องนี้ไปสอนคนเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีสอนแล้วก็เหนื่อยไปเปล่ า, าท่านก็เลยท้อพระไทยไม่อยากจะสอนแต่ต่อมาก็มีพระท่ามหาพรมมาขออราธนาบอกว่าได้โกรดเถิดคนที่ท่านองค์เห็นนั่นเป็น่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีคนอีกหลายพวกที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาวุธจาก็เลยวิเคราะห์ดก็เห็นว่าเ อ, อคนเรามันมีสี่พวกด้วยกันพวกที่เชื่อก็มีพวกที่ไม่เชื่อก็มีนี่เราไปสอนพวกที่เชื่อดีกว่าท่านก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่เชื่อเชื่อง่ายที่สุดเชื่อเร็วที่สุดก็พวกนักบวชเราไปสอนพวกนักบวชก่พวกนักบวชเพรฟังพราะฟังปั๊บเขาก็เชื่อเลยเขาก็บรรลุเลยต่งไปก็ไปสอนพวกที่เชื่อน้อยหน่อยแต่ยังมีพอโอกาส สอนให้เขาได้พูดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเขาก็เชื่อเองแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามเองก็เลยแบ่งเป็นสามเหล่าพวกที่เชื่อมีสามตรงนี้เชื่อมากเชื่อน้อยเชื่อปานกลางส่วนพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่ไปไม่ไปเสียเวลาพวกที่ไม่เชื่อนระกสวรรค์ไม่เชื่อบุญเชื่อบาไม่เชื่อการทำความดีอะไรพวกนี้ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดสอนไปก็เสียเวลาป่าๆพวกนี้ท่านก็ไม่สอน ถามจาคุณแจ็คการที่จะตัดสรุปเป็นพระตามลำดับชั้นจากโสดาบันจนถึงพระอริยสตรีและพระพุทธเจ้าแต่และบุคคลสามารถเป็นได้หมดไหมครับมีข้อจํากัดอะไรบ้างครับอย่างเช่นการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมาจากเชื้อสายกษัตริย์เหมือนเจ้าชายสินธสถัดหรือว่าเปิดให้ทุกคนสามารถเป็นได้หมดถ้ากําหนดดวงจิตวิ ญ, ญญาณทําความสะอาดบริสุทธิ์ตามลําดับขั้นครับการจะเป็นพุทธเจ้าได้ต้อง เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนอพระอริยาาสัจสิต้องหาเองต้องค้นคว้าหาเองเหมือนนิวตันเนี่ยไม่มีใครสอนเรื่องแรงดึงดูดของโลกไม่มีใครสอนว่าของทุกอย่างเช่นผลไม้เวลามันหลุดจากขั้วมันไม่ลอยขึ้นไปมันตกลงมาก็เลยหาดูว่าอะไรทำให้มันตกลงมาเขาก็เห็นว่ามันมีแรงดึงดูดของโลก ที่ดึงให้ของทุกอย่างอยู่บนโลกนี้ไม่ลอยไปก็เลยเนี่ยเป็นความรู้ที่ค้นหาได้ด้วยตนเองแต่พวกที่มาทีหลังมาศึกษาจากนิวตันก็ไม่ได้เป็นผู้ค้นคว้ารู้ความรู้นี่เองอาศัยความรู้ของคน อ, งอื่นดังนั้นถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาอยู่ในยุคที่ไม่มีพระอริยสัจสี่ไม่มีใครสอนพระอริยสัจสี่ ก็ต้องค้นคว้าหาเอาเองอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ยยุคที่ท่านบําเพ็ญไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ไปถามไปศึกษากับครูอาจารย์ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ก็เลยต้องค้นคว้าหาเอาเ อ, าเองดังนั้นที่สุดก็ค้นพบว่ า, าทุกเกิดจากความอยากการเวียนว่ายตายเกิดจะเกิดจากความอยากต่างๆถ้าตัดความอยากได้ก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญา ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็ตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าส่วนผู้ที่มาเรียนต่อจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นพระสาวกแต่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันพระอาหารหันต์ก็คือสิ้นกิเลสเหมือนกันแต่คนแรกสิ้นด้วยด้วยด้วยความสามารถของตนเองส่วนคนอื่นสิ้นด้วยความสามารถด้วยการอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า ง้นถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปอยู่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปค้นหาพระอริยสัจสีสส่เอาเองถ้าค้นพบแล้วสามารถปฏิบัติได้หยุดความอยากได้ตัดภพชาติได้ตัดการเวียนว่าตายเกิดได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองคําถามจากคุณนันทนาพระพุทธเจ้าก็เคยเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆมามาก แต่มาบรรลุธรรมในภพมนุษย์แสดงว่าภพมนุษย์เป็นภพที่ดีที่สุดที่จะบรรลุธรรมใช่ไหมคะเอะ่มีมีเพบเดียวที่จะมั น, เ ป, นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่พระผ้าอรหันนี่ภพอื่นก็เป็นได้ต้องแต่ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระ้าอรหันสอนอจากพวกเทวดาที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่ลังลูกก็บรรลุเป็นพระ้าอรหันได้เพราะว่ามันบรรลุด้วยอริยสัจสี่มันไม่มันมันไม่ได้บรรลุด้วยร่างกาย จิตถ้ามีพระอริยาสัจสีมันก็บรรลุได้ไม่ต้องเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ต้องมีคนสอนคำ ถ, ถามจากคุณทีโกสาเหตุที่ทำให้เกิดความอยากหรือความไม่อยากคืออะไรครับถ้าเราไม่ผูกปิดกับสาเหตุก็จะดับความอยากหรือไม่อยากใช่ไหมครับความอยากเกิดจากจิตไม่สงบเนี่ยถ้าจิตสงบมันก็ไม่มีความอยาก แต่เราไม่เคยทำจิตให้สงบมันก็เลยอยากอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีการมาสอนเราก็ไม่ทำานะันขนาดสอนยังไม่ทำเลยมันยังอยากกันอยู่นั่นค <c oughs> าถามจากคุณมานัสวีคนเราทําบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญให้กันจะมีโอกาสที่จะเกิดมาเจอกันอีกไหมคะ แล้วจะเจอกันในรูปแบบใดก็คือบุญและกรรมตามกําหนดใช่ไหมคะเรา อ, อาจจะเคยเจอกันมาก่อนก็ได้เพราะการเกิดของเรานี่มันเป็นน่านน่านชาติเพียงแต่เราจําไม่ได้เท่านั้นเองอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ได้มันไม่มีมันคนมันเยอะแล้วก็การเกิดแก่เจ็บตายแต่ละครั้งมันก็จังหวะมันไม่ตรงกันนั้นโอกาสจะเจอก็มีโอกาสจะไม่เจอก็มี ถ้าเราล้าลึกชาติได้เราก็จะรู้ว่ า, เ, าเคยเจอกันมาก่อนเคยมีอะไรกันมาก่อนแต่ถ้าเราลึกชาติไม่ได้เราก็ไม่รู้คำถามจากคุณยูรชัดเวลาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก้มกัดสาครั้งบางครั้งรู้สึกเหมือนจะหลับหรือไม่หายใจทั่วท้องจนคิดว่าจะเป็นลมแต่มีสติตลอดไม่ได้ง่วงค่ะมันตกใจจนต้องสูดหายใจใ ห, ใ, หให้ใหญ่ขึ้นมา พรคิดว่าจะฮูกจึงขอกลับเรียนถามว่าถ้าเป็นอีกครั้งเราควรปล่อยให้มันจมดิ่งดับไปเลยดีกว่าหรือเปล่าคะแล้วแต่เราชีวิตของเราเราอยากจะทำไ ง, งก็ทำไปไงมา <c oughs> ถามเราทำไมคำถามจากคุณวัด <c oughs> เพื่อให้ตัวเองแนละ <c oughs> เพื่อนเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่คิดเอาเองว่าหนึ่งการที่ผู้ชายมีผู้หญิงพร้อมกันสองคน สการที่ผู้ชายมีภรรยาแล้วและไปคบผู้หญิงคนอื่นอีกโดยที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นโสตสาการที่ผู้หญิงไปเที่ยวสถานอบผู้ชายไปเที่ยวสถานอาบอบนวดถามว่าผู้ชายผิดสิ่ข้อสามหรือเปล่าครับและจะได้รับกรรมตับตกนรกหรือเปล่าครับผิดทั้งนั้นอ่ะมันต้องมีผัวเดียวเมียเดียวเขียนเรียกว่าผิดถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ผิดละ แต่ก็ไม่เป็นนรกแบบทำผิดศีลข้อนี้อย่างมากก็ไปเป็นหมาทัเอนั้หมาดูที่มันมีคู่มันมีคนเดียวตัวเดียวปะเอดือนเก้าเนี่ยไปดูมันมันกัดกันวุ่นกัดกันแหละกไปแย่งกันอพวกที่ไปเที่ยวอาบุญนวดก็เหมือนกันเหมืนหมาเดือนเก้า้อคำถามจากคุณลาวิศดาคนที่บวชแล้วยังยึดติดกับพิธีกรรม ออกกรรมออกเทศอยู่ผิดสินไหนคะเป็นยังไงถ้ามันไม่มันเรื่องของเสียงก็เรื่องของสินหนึ่ ง, งพิธีกรรมก็เรื่องของพิธีกรรมมันไม่ถ้ามันไม่ขาดกรรมมันก็ไม่ผิดถ้าเป็นพิธีกรรมที่มันขัดกับสินมันก็ผิดค่ะคำถามจากคุณทองโยมที่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมตอนถือสิ่งแปรบางวันก็สงบสุขบางวันก็ฟุ้งซ่านแต่จะเป็นช่วงๆแต่ลาศีแล้วเดินทางกับ ทำไมโยมน้ำตาไหลตลอดเวลาแต่น้ำตาไหลแบบมีความสุขหลายชั่วโมงกว่าปัญญาจะบอกสติว่าอย่ายึดติดมันกับความสุขเดี๋ยวมันก็ดับมันเลยเข้าสู่สภาวะปกติควรละทิ้งความรู้สึกนี้ไหมคะหรือจะเป็นกิเลสอีกอย่างหนึ่งคะถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นกิเลสหรอกถ้ามันทราบเส้นใจนนนการหลั่งน้าตามันมีหลายสาเหตุ กามันไม่ได้หลังด้วยกิเลส so ไม่ได้หลังก็ไม่ได้ทําให้เราทุกข์ก็ไม่เป็นไรคำถามจากคุณชัยติลัพตอนที่หลวงตาบวชสามเณรหลวงตาทําอย่างไรให้สมาธิสงบครับหลวงตาท่านไม่เคยบวชสามเณรนะท่านบวชพระเนี่ยช่วงแรกๆท่านก็พุทโธพุทโธเวลาบวชท่านไปพบพระทุดงพระทุดงสอนให้ท่านพุทโธพุทโธท่านก็นั่งพุทโธพุทโธไป ระ ว, วันดังเจ็ดของท่านก็รวมลงสู่ความสบงบค่ะคำถามจากคุณดาพระอาจารย์คะดิฉันไม่ค่อยใส่บาทด้วยอาหารคาวหวานจะใส่จำพวกนมน้ำผลไม้มีผลอะไรหรือเปล่าคะออไม่มีหรอกก็ใช้ได้ช่ไหนผลก็คือผู้รับท่านได้กินแต่นมผลไม้ <c oughs> <c oughs> แต่ผู้ให้ก็ได้บุญเหมือนกัน <c oughs> ให้ก็ให้ก็ต้องดูผู้รับบ้างไม่ใช่จะให้แต่ ตามใจผู้ให้เดี๋ยวให้แต่นมผลไม้กันหมดก็ไม่ต้องกินอะไรก็กินแต่นมผลไม้อย่างเดียวคำถามจากคุณณพลพระโสดาบันมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรสภาวะจิตเป็นอย่างไรครับและสามารถเป็นผู้ครองเดือนอยู่ได้ไป ต, ตลอดหรือไม่ครับก็เป็นผู้ที่มีเห็นอริยสัจสี่เห็นความทุกข์ในยึดการยึดติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา พอปล่อยวางความยึดติดได้ก็ไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วก็จะไม่สงสัยถ้ า, ถาทำประสงค์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่ไปทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อสะเาดาะเคราะห์รับความทุกข์ต่างๆเพราะคนพบแล้วว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองะอสุจามันก็จะคลองเรือนไปชั่วระยะหนึ่งแล้วพอเจอความทุกข์ที่เกิดจากการทลองเรือนก็จะเริ่มคิด อ, ออกบวชกันต่อไป ต่อไปก็จะเห็นอ น, นิจจังในคู่ครองในชีวิตครองเห็นสุภาษอะไรต่ำนองนี้ต่อไปก็จะเบื่อกับชีวิตการครองเือนเองเหอนแล้วค่ะเหมือแล้วนะนอาว่ามาอาจารย์คถ้าเราเดินจงกรแล้วมันจิตมงไม่ถนดพุดโทโธเห็นเดินไม่เดินเฉยเดินกระท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้จิตเดินเฉยเราก็ต้องมองใจ ถ้าซ้ายขวามันฟุง้งเลยอย่าไปใช้ซ้ายขวาใช้ขวาใช้พุโทโธอ่าใช้พุโทโธใช้สวดมนต์ไปแล้วบางทีเราเดินซ้ายขวามันมีช่องให้มันคิดเยอ ะ, ะเลยต้องใช้พุโทโธหยุดความคิดไม่ใช้สวดมนต์หยุดความคิดไปแล้วมันก็จะหายฟุง้งหายฟุ้งแล้วค่อยมาดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวานะอาจารย์วสติเรายังไม่มีกําลังพอที่จะดูเฉยๆเลยต้องใช้คําบริกรร ม, มใช้การสวด เพื่อหยุดความคิดหยุดความฟุ้งไปก่อนคำถามจากคุณแคตตี้ค่ะอันนี้สงการสวดมนต์กับทําบุญต่างกันอย่างไรคะ อ, อ๋อการทําบุญก็ทําให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจส่วนการสวดมนต์ก็ทําให้เราสงบใจสงบมีความสุขก็เป็นความสุขใจเหมือนกันแต่วิธีทําต่างกัน บางคนยังสวดมนต์ไม่ได้ก็ทําบุญไปก่อนทําบุญง่ายกว่าการสวดมนต์เพราะสวดมนต์นี้ต้องมานั่งเฉยๆแล้วก็สวดไปเรื่อยๆทําบุญนี่ไปซื้อของมาแล้วก็ถวายพระก็ได้บุญนลบุญมีมีหลายขั้นไงบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นขั้นที่สามยากกว่าขั้นที่สองยากกว่าขั้นที่หนึ่ง ท่านที่ง่ายที่สุดก็คือการทำทานลองลงมาก็คือการรักษาศีลลองลงมาก็คือการการนั่งสมาธิหรือการนั่งสวดมนต์เพื่อทำใจให้สงบขั้นที่สี่ก็คือการมีปัญญาการเห็นอริยาาสัจสีเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราแล้วก็ตัดความอยากด้วยการเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอั น, นยากที่สุด ฉันอยากดื่มกาแฟบอกดื่มกาแฟแล้วทุกทุกเพราะอะไรดื่มแล้วมันติด <Okay. S 1> พอไม่มีดื่มก็จะทุกข์ <Okay. S 1> ถ้าไม่อยากถ้าอยากแล้วไม่ดื่มต่อไปมันก็ไม่ดื่มต่อไปมีกาแฟแล้วไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดร้อน <Okay. S 1> อันนี้ยากที่สุดวน mm hmm. แล้วเหรอค่ะคำ ถ, ถามจักคุณวัดเอาเงินสดไปใส่ในบาตรพระตอนใส่บาทผิดหรือเปล่าครับ ผมเห็นเยอะไปหมดจนคิดว่าได้ครับบอกความรู้ด้วยครับคุณยาโยมไม่รู้ไงว่าพระนี่ท่านรับเงินรับทองกับมือไม่ได้ถ้าอยากจะถามเงินถายทองให้พระใช้ต้องไม่ฝากกับลูกศิษย์ไว้ทีนี้สมัยนี้ญาติโยมไม่ค่อยได้ไปศึกษากันแล้วนะพอเห็นคนอื่นทำผิดก็เลยคิดว่าถูกก็เลยทำกันไปพระก็เจรงใจก็เห็นว่าโยมใสยไปโยมก็ได้บุญ แต่พระเก็บเงินไว้ไม่ได้เงินที่ใส่ในบาตรในพระต้องยกให้ลูกศิษย์ไปเอาไปใช้เองไม่ได้พระพุทธเจ้าม่ให้รับกับเงินทองกับมือถ้าอยากใช้ใ้พระใช้เงินต้อง เ, อเงินไปฝากไว้กับลูกศิษย์อา่ารย์ครับถ้าถ้าพระจำเป็นต้องเดินทางอย่างเนี้ฮะก็ต้องมีลูกศิษย์ถือเงินให้ไงต้องต้องไปด้วยแต่ก็ไปอุ่เงินนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือต้องไปซื้อตั๋วให้แล้วก็ส่งส่งขึ้นรถได้อแต่ แต่ก็สมัยนี้มันหาลูกศิษย์ยากท่านก็เลยใช้เอาเงินใส่ ย, ย่ามใส่ซองไว้ในย่าม <c oughs> เวลาจะตีตั๋วก็วาน <c oughs> คนไหนก็ได้ช่วยเอาเงินไปซื้อตั๋วให้หน่อยก็มันต้องทําอย่างนี้เพราะมึงจะทำยังไง <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนมันคนมีเวลาว่างเยอะ <c oughs> เป็นชาวนาชาวไร่ทําไร้ไถนาเสร็จก็มีเวลาว่างก็ไปอยู่วัดไปรับใช้พระแล้วสมัยนั้นพระก็ไม่ได้เดินทางไปไหน <c oughs> เดินทางกันก็เดินกันไปกันไม่ได้ขึ้นรถลงเรือกันไป เหมือนสมัยนี้ในสมัยนี้รถลามันเยอะอยากจะไปไหนก็ง่ายสะดวกก็เลยต้องใช้วิธีนี้ถ้าอยากจะใส่ย่ามไปแล้วก็ให้ให้ยังโชเฟอร์อะไรก็หยิบไปเองให้หยไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถูกร0อยเอร์เซ็นแต่ก็เขาทำกันอย่างนี้น่างี้มันก็ไม่ดีเพราะทำให้คนรู้ว่าพระมีเงินถ้าโจนอยากจะป้นก็ป้นได้ก็อาจจะเจ็บตัวได้ แต่ถ้ารู้ว่าพระไม่มีเงนินติดตัวเลยรเขาก็จะไม่คิดพ้น <lichen. S 2> แตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เลยไม่จะทําไงไม่จะพูดงไงส่วนพระที่เขามีบารมีเขาก็มีลูกศิษย์เขาก็ใช้ลูกศิษย์ไปลูกศิษย์รับไปไหนส่งรับส่งไปไหนมาไหนหรือพระที่มีบารมีมากๆก็ไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่ก็ได้หมดปัญหา หมดแล้วองนอ่านอานสองข้อนะการกันหมดเวลาแล้วคถามจากคุณพลเมื่อเราพิจารณาอาหารความว่าความอร่อยเป็นอย่างนี้ความไม่อร่อยเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้สึกว่าใจไม่ฟูไปตามความอร่อยความไม่อร่อยเช่นนี้ถือว่าผิดไหมครับถ้าเราไม่ได้กินเพื่อความอรเด็ดอร่อยก็ถูกนะอยากได้กินเพื่อรสติีที่จะกินไม่อรเด็ดอร่อยก็ห า, ก, ก, หา ก, กินของที่เราไม่ชอบ ถ้าเรากินของที่เราชอบแล้วบอกแม่อร่อยนี่ก็เท่ากับหลอกหลอกตัวเองถ้าไม่ไม่อร่อยแล้วไปกินทําไมใช่ไหมต้องกินของที่ไม่อร่อยจริงๆก็ไปกินของที่ไม่ชอบกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อใจใจไม่ได้กินเท่าไหน่อยแต่ใจต้องไปยุ่งกับอาหารที่ร่างกายกินเพราะยังติดในรสในรูปของอาหารอยู่คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ช่วงหลังที่ภาวนาต่อเนื่องมากบ้างน้อยบ้างตามกาลังเวลาที่ไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินหรือนั่งเฉยๆจิตจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอัตโนมัติหรือบางทีก็ไม่คิดอะไรต้องกลับมาที่พุทโธใหม่คะพอเข้าใจว่าต้องใช้คำริกรรมหรือสติผูกใจให้อยู่กับปัจจุบันก่อนถ้านั่งเฉยๆไม่คิดอะไรกลัวโดนกิเลสหรอคะออถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยกิเลสมันจะเราได้ก็เฉพาะตอนที่เราคิด ก็มันจะคิดให้เราไปในทางความอยากต่างๆถ้าคิดแล้วไม่เลยคิดไปในทางความอยากก็ไม่เป็นไรคิดแล้วทำให้เราปรงได้ปล่อยได้วางได้ก็ใช้ได้แต่เบื้องต้นอย่าพึ่งไปคิดดีกว่าพยายามหัดทำใจให้ว่างๆแล้วพอเราไม่คิดได้เราก็พยายามนั่งให้มันสงบนั่งหลับตาแล้วมันจะสงบมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้นั่งแล้วเวลาสงบแล้วใจเราจะมีความสุขมากก็จะทาให้เราปล่อยความอยากต่างๆได้ หมดแล้วนะวันนี้ <Yeah. S 1> เอาแค่นี้ก่อนละหมดเวลาละ <Yeah. S 1> คําถามที่เหลืออยู่ก็เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะ <Yeah. S 1> ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณา <Yeah. S 1> ไปปฏิบัติเพื <Yeah. S 1> ่อความสุข <Yeah. S 1> ความเจริญก <Yeah. S 1> ้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ